ากาชีวกจากพระไตรปิฎกจากเรื่องในปฐมสมโคทิกระถาดังที่กล่าวมานี้จะเห็นว่ามีข้อความพิสดารกว่าในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะคือในคำพีวินัยปิฎกมหาวัคซึ่งได้กล่าวไว้แต่เพียงว่าลำดาบนานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงดำริว่า เราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับรันครั้นแล้วทรงดำริต่อไปว่าภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการรักแกเรามากได้บำรุงเราผู้ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรอยู่ถ้ากระไรเราพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ก่อนครั้นแล้วได้ทรงดาริต่อไปว่า บัดนี้ภิกษุปัญจวคีอยู่ที่ไหนหนอพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นภิกษุปัญจวคีอยู่ณป่าอิสิปตนามรุกขายวันเขตพระนครพารณสีด้วยทิพยะจากสูอันบริสุทธ์ล่วงจากสุมนุษย์คันพระองค์ประทับอยู่ณรูเวลาประเทศตามสมควรแก่พุทธาพิรมแล้ว ก็เสด็จจาริกไปทางพระนครพารณสีอาชีวกชื่ออุปกาได้พบพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินทางไกลระหว่างแม่น้ำขยาและไม้โพธิพฤกครั้นแล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูกระอาวุโสอินทร์ของท่าน่องสายยิงนะัก ผิวผ่านของท่านบริสุทธิ์ผูดผ่องดูกระอาวุโสท่านบวชอุทิศใครใครเป็นาศาสดาของท่านหรือท่านชอบธรรมของใครเมื่ออุปกาชีวกกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตัดพระคาถาตอบอุปกาชีวกว่าสัพาพิภูสัพพาวิทูหมามัสมิ เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งข้อความอันนี้ได้กล่าวมาแล้วขอให้สังเกตว่าเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่าจะทรงแสดงธรรมแก่ใครก่อนนั้นขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่ต้นอชปาละนิโครธคือที่ต้นไส อันเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในบริเวณพุทธคยาและทรงเห็นพราปัญจวัคคีย์ว่าขณะนี้อยู่ที่ป่าอิสิปตนามรุทายวันซึ่งในคำพีอธกถ า, ากล่าวว่าอยู่ห่างจากที่พระองค์ประทับอยู่ถึงสิบแปดโยชน์เป็นการเห็นด้วยทิพยจักษุและเมื่อเสด็จไปหาพราปัญจวัคคีย์ ก็เสด็จดำเนินไปตามทางโดยพระบาทมิได้เสด็จหอไปทางอากาศข้อความเหล่านี้ขอให้จดจำเอาไว้ด้วยเพราะข้อความที่ว่านี้ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่มีกล่าวไว้ในหนังสืออัธกถาหลายเล่มและเรื่องของอุปการชีวกนี้ก็มีปัญหาหลายอย่างที่น่าสงสัย สมเด็จกรมพระประมาณุชิตก็ได้ทรงเฉลยเอาไว้ทุกอย่างซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ของพระองค์ที่ได้ทรงอ่านคำทีมากและเรื่องของอุปการชีวกนี้ด็อกเตอร์มาลาลาเซเกราซึ่งเป็นนักปราชในทางพุทธศาสนาคนหนึ่งเป็นคนสีหลังกาก็ได้รวบรวมนำมาเขียนไว้ ในหนังสือประธานุกรมรายชื่อบุคคลและสถานที่ต่างๆในทางพุทธศาสนาหนังสือนี้ในภาษาอังกฤษมีชื่อว่า Dictionary of p a l i Proper Names ซึ่งประวัติของอุปการชีวคนี้ดรมาลาลาเซเกราก็ได้รวบรวมมาจากคำพีต่างๆ เช่นเดียวกับสมเด็จกรมพระประมานุชิตเหมือนกันซึ่งจะขอคัดมาให้ดูบางตอนดังนี้เรื่องอุปการชีวกจากหนังสือพจนานุกรมของดอกเตอร์มาลาลาเซเกราเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกอุปการชีวกถึงการที่พระองค์ทรงเป็นอนันตชินะคือผู้ชนะสูงสุดไม่มีผู้ใดเทียบได้เลย น, นั้น อุปกาชีวกก็ได้สั่นเสีและพูดว่ามันอาจจะเป็นเช่นนั้นได้สหายอิทเมบีโซเฟรนและอีกตอนหนึ่งก็ได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จนำเดินโดยพระบาทไปตลอดทางจนกระทั่งถึงป่าอีสิป ต, ตนะมรุกขายวันแทนที่จะเหาะไปทางอากาศตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต ที่ได้ทรงปฏิบัติมาทั้งนี้ก็เพราะปรารถนาที่จะพบอุปกาชีวกและได้เล่าเรื่องของอุปการชีวกต่อไปว่าภายหลังที่ได้พบพระพุทธเจ้าและได้หลีกจากพระองค์ไปแล้วนั้นอุปการชีวกก็ได้ไปยังหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งชื่อว่าวังกหาระ และได้แต่งงานกับลูกสาวนายพลานคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่านางจาปาและมีบุตรชายด้วยกันคนหนึ่งมีอาชีพด้วยการนำเนื้อสัตว์เที่วเร่ขายแต่แล้วในที่สุดก็สละลูกและพันยาออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตาวันมหาวิหารและได้บวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาและได้สำเร็จเป็นพระนาคามี และได้ไปเกิดเป็นพรหมในชั้นอวิหาจากข้อความที่เล่ามาโดยสังเขปนี้แสดงว่าเรื่องที่สมเด็จกรมพระประมานุชิตนิพน์ไว้นานมีหลักฐานจากคำพีต่างๆไม่ใช่เขียนขึ้นเองตามความนึกคิดของตนโดยไม่มีหลักฐานในหนังสือปฐมสมโพธตอนนี้หากจะมีผิด ก็มีอยู่ตอนเดียวที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปแคว้นกาลินคาราชซึ่งความจริงเสด็จไปแคว้นกาสีและที่ผิดนี้เข้าใจว่าผิดเพราะคัดลอกจากต้นฉบับเดิมมาผิดมากกว่าคือเดิมคงจะเป็นกาสิกรัตอธิบายคำว่าสัพาพิภูสัพวิทูอันหนึ่ง คำว่าสัพาภิภูสัพภวิธูเป็นต้นซึ่งเป็นคําที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับอุปกาชีวกนั้นในคำภีสมันตะปาาศิกาและในคำภีธรรมบทซึ่งเป็นคำภีทีท่อธิบายพระตไตรปิฎกตอนนี้ได้อธิบายไว้ว่าสัพาภิภูซึ่งแปลว่าเป็นผู้ครอบงาธรรม ท, ทั้งปวงนั้น หมายความว่าเป็นผู้ครอบงำธรรมที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดสัพพาวิทูซึ่งแปลว่าเป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวงนั้นหมายความว่ารู้แจ้งธรรมที่เป็นไปในภูมิสีทั้งหมดสัพเพสุธรรมเมสุอนูปริตโตซึ่งแปลว่าไม่ถูกฉาบทานในธรรมทั้งปวงนั้นหมายความว่า ไม่ถูกฉาบทาด้วยตันหาและทิฏฐิในธรรมอันเป็นไปในภูมิสามแม้ทั้งหมดตันหักะเยวิมุตโตซึ่งแปลว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตันหานานหมายความว่าหลุดพ้นในขั้นสูงสุดคือเป็นพระราหันเพราะได้เข้าถึงนิพพานอันเป็นธรรมเป็นที่สิ้นไปของตันหา สัพพันชโโหเป็นผู้ละธรรมทั้งปวงนั้นหมายความว่าเป็นผู้ละธรรมอันเป็นไปในภูมิสามทั้งหมดสยังอภินยายะซึ่งแปลว่ารู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยตนนั้นหมายความว่ารู้แจ้งซึ่งธรรมทั้งหลายเช่นอภินเยยยธรรมเป็นต้นซึ่งเป็นการรู้แจ้งด้วยตนเองจริงๆ จากคำอธิบายในอัธถานนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพภพิภูคือเป็นผู้ครอบงำธรรม ท, ทั้งปวงนั้นหมายความว่ากรรมและกิเลสอาจจะเป็นเหตุให้ต้องเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือการมาภพรูปภพอรูปภพนั้นพระพุทธเจ้าทรงละได้หมด และที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันธ์ชโหเป็นผู้ละได้ซึ่งธรรมทั้งปวงก็มีความหมายอย่างเดียวกันนี้และคำที่ว่าอนุปริตโตพระพุทธเจ้าไม่ถูกฉาบทาในธรรมทั้งปวงก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงมีตันหาและทิฏฐิในภพทั้งสามคือไม่ทรงติดอยู่ในภพทั้งสาม เป็นผู้ที่หลุดพ้นไปจากภพทั้งสามแล้วโดยสิ้นเชิงส่วนควํ า, าว่าสัพพาวิทูซึ่งแปลว่าเป็นผู้รู้ซึ่งทำทั้งปวงสยังอภินญญายะรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยตนเองก็หมายความว่าเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งทำทั้งหมดบรรดามีอยู่ในภูมิทั้งสี่คือทำในกา ม, มาวจราภูมิ ทำในรูปาวจรภูมิทำในอรูปาวจรภูมิและทำในโลกุตรภูมิและคำว่าธรรมในที่นี้ก็หมายถึงทั้งรูปธรรมและนามธรรม ท, ทั้งหมดและขอให้สังเกตไว้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งธรรมเหล่านี้ด้วยตนเองคือไม่ได้เรียนรู้มาจากคนอื่น แต่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากภายในของพระองค์เองเป็นการทำใจให้เป็นสมาธิถึงขั้นสูงสุดคือเข้าถึงนิโรธสมาบัติซึ่งในเมื่อสามารถเข้าถึงสมาบัติอันนี้ได้อภิญญาทั้งหก็จะได้ด้วยและเมื่อมีอภิญญาทั้งหกการที่จะรู้อะไรต่ออะไรต่างๆนั้นก็จะรู้ได้โดยไม่ยาก ขอให้สังเกตคำต่อมาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเรารู้แจ้งด้วยตนเองเช่นนี้จะพึงอ้างใครว่าเป็นอาจารย์ของเราได้เล่าอาจารย์ของเราไม่มีคนเช่นเราก็ไม่มีในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกบุคคลที่เสมอเหมือนกับเราไม่มีและอื่นออันหนึ่งคำว่าสภาภิภูซึ่งแปลว่า เป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงและในคำพีสมันตะภาษาธิกาได้อธิบายว่าหมายถึงครอบงำที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดนั้นความหมายยังไม่ชัดว่าธรรมที่เป็นไปในภูมิสามนั้นคืออะไรแต่ในคำพีสารัตตะปกาศินีภาคหนึ่งหน้าสองอยสิบห้าอธิบายคำว่า สัพพาพิภูวไว้ว่าคําว่าเป็นผู้ครอบงำทำทั้งปวงนั้นหมายถึงครอบงำขันอายตนะธาตุภพโยนิคติเป็นต้นและจากคําอธิบายนี้ก็จะทําให้เข้าใจว่าสัพพาวิทูซึ่งแปลว่าเป็นผู้รู้ธรำทั้งปวงนั้นก็หมายถึงรู้เรื่องขันอายตนะธาตุ พบโยนิคติเป็นต้นขอให้สังเกตคำาอธิบายจากอัธกถาที่กล่าวมาแล้วว่าคำว่าสัพพาวิทูท่านหมายว่าหมายถึงรู้แจ้งธรรมที่เป็นไปในภูมิสีทั้งหมดฉะนั้นเพื่อที่จะให้เข้าใจความหมายของเรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงควรจะได้ศึกษาเรื่องพบภูมิ โยนิคติเป็นต้นก่อนทัพพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งพบทั้งปวงคำว่าพบคนโดยมากมักจะเข้าใจว่าได้แก่พิภพคือโลกหรือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่แต่ความเป็นจริงคำว่าพบตามความหมายของคำพีทางพุทธศาสนานั้น หมายถึงชีวิตต่างๆหรือนามารูปชนิดต่างๆและแบ่งออกเป็นสามอย่างคือกามาพบรูปประพบอรูปประพบฉะนั้นคำว่ากามาพบจึงหมายถึงชีวิตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ที่ยังมีการเกี่ยวข้องในเรื่องกามมีความยินดีพอใจในการยังตัดเรื่องการมไม่ได้ เหมือนอย่างคนหรือสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และนอกจากนี้แม้พวกโอปปติกะทั้งหลายในสวรรค์หกชันคือตั้งแต่ชันจาตุมมหาราชจนถึงชันปรินิมิตตะวสวรดีก็เรียกว่าเป็นพวกกามภพพวกอบยาภูมิทั้งสี่คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เป็นพวกกามภพ ส่วนรูปประพบนั้นได้แก่ผู้ที่ได้รูปประชานทั้งสี่เป็นพวกที่ร่วงพ้นจากอำนาจของกามได้แล้วแม้จะเป็นการชั่วคราวก็ตามหรือเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นพวกรูปประพรมทั้งสิบกชั้นก็จัดว่าเป็นพวกรูปประพบส่วนผู้ที่ได้อรูปประชานทั้งสี่ในระหว่างที่อยู่ในอรูปประชาน หรือตายแล้วไปเกิดเป็นอรูปภพลมในอรูปภพเรียกว่าอารูปภพคําว่าภพดังที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าหมายถึงชีวิตประเภทต่างๆดังที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าเป็นสัพพันญูคือรู้เรื่องชีวิตทุกประเภทดังที่กล่าวมานี้ทั้งหมดคําว่ารู้ในทีนี้ หมายถึงรู้จักชีวิตเหล่านี้ทั้งหมดเคยเห็นเคยเข้าใกล้เคยเข้าไปสนทนาด้วยรู้ความเป็นไปรู้เรื่องความเป็นอยู่รู้เรื่องอาหารรู้เรื่องอายุรู้ถึงสาเหตุว่าอะไรทำให้สัตว์เหล่านี้ไปเกิดอยู่ในพบหรือในภูมิอย่างนั้นอย่างนี้ดังจะเห็นได้จากเรื่องที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดังนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่ภูเขาหินพื้นราบแห่งหนึ่งชื่อว่าขยาศรษะใกล้หมู่บ้านขยาณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายก่อนที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ครั้งนั้นเรากําหนดเห็นแสงสว่างได้ แต่ครั้งแรกยังไม่เห็นรูปทั้งหลายเราจึงได้เกิดความคิดว่าถ้าหากเราจะพึงกําหนดเห็นแสงสว่างได้ด้วยและเห็นรูปทั้งหลายได้ด้วยญาณทัศนคของเราอันนี้ก็จะพึงบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอีกฉะนั้นในเวลาต่อมาเราจึงไม่ประมาทพยายามปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นครั้นแล้ว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 ถ้าหากเราจะพึงกําหนดเห็นแสงสว่างได้ด้วยเห็นรูปเทวดาทั้งหลายได้ด้วยและอยู่ในสมาธิเจรจาต่ายถามกับเทวดาทั้งหลายได้ด้วยญาณทัศน์อันนี้ของเราก็จะพึงบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอีกฉะนั้นในเวลาต่อมาเราจึงไม่ประมาทพยายามปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครั้นแล้ว เราก็กำหนดเห็นแสงสว่างได้ด้วยเห็นรูปทั้งหลายได้ด้วยและอยู่ในสมาธิเจรจาไตาถามกับเทวดาทั้งหลายได้ด้วยแต่เราไม่รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มาจากเทพนิกายไหนเราจึงได้เกิดความคิดว่าถ้าหากเราจะพึงรู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มาจากเทพนิกายนั้นเทพนิกายนี้ ญานาทัศนะของเราอันนี้ก็จะพึงบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอีกฉะนั้นในเวลาต่อมาเราจึงไม่ประมาทพยายามปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นอีกครั้นแล้วเราก็รู้จักเทวดาทั้งหลายว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มาจากเทพบุกายนั้นเทพบุกายนี้แต่ยังไม่รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้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 จะเวิสุขและทุกอย่างไรครั้นแล้วต่อมาเราก็รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มีอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เสวยสุขและทุกขอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าเทวดาแต่ละองค์โดยปกติมีอายุยืนนานเท่าไหร่ครั้นแล้วต่อมาเราก็รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้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 ในเวลาต่อมาเราจึงไม่ประมาทพยายามปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นหนึ่งครั้นแล้วเราก็ากำหนดเห็นแสงสว่างได้สองเห็นรูปทั้งหลายได้สอยู่ในสมาธิเจราจาต่ายถามกับเทวดาทั้งหลายได้สรู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มาจากเทพนิกายนั้นเทพนิกายนี้ ห้รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้จุติจากที่นั้นที่นี้แล้วไปเกิดในที่นั้นที่นี้โดยวิบากของกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ 6. รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มีอาหารอย่างนั้นอย่างนี้สเสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ 7. รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้ มีอายุยืนนานเท่านั้นเท่านี้แปดและรู้ว่าเราได้อยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้ในครั้งก่อนด้วยหรือไม่ภิกษุทั้งหลายอธิเทวญาณทัสสนะซึ่งมีปริวัติแปดของเราถ้ายังไม่บริสุทธิ์ดีเพียงใดเราก็ไม่ปฏิญญาว่าเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกนี้ในเทวโลกในมาราโลกในพรมโลกในบูประชาชนซึ่งมีทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่อธิเทวญาณทัศนะซึ่งมีปริวัติแปดของเราบริสุทธิ์ดีแล้วฉะนั้นเราจึงได้ปฏิยาว่า เราได้บรรลุแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้ในเทวโลกในมาราโลกในพรมโลกในหมูประชาซึ่งมีทั้งสมมาณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ยาณทัศสนะได้บังเกิดแก่เราด้วยว่าใจของเราได้หลุดพ้นแล้วโดยเด็ดขาดชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย แต่นี้ต่อไปการเกิดใหม่ไม่มีอีกจากข้อความในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นและทรงรู้จักเทวดาทุกชั้นทุกประเภทและรู้เรื่องนี้ดีจะยิ่งกว่าพวกเทวดาทั้งหลายจะอีกและเมื่อศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ขอให้นึกถึงข้อความที่เคยกล่าวมาแล้วว่าดูก่อนสารีบุตร บริษัทแปดจำพวกเหล่านี้คือขัติยะบริษัทพรามณะบริษัทคฤหบดีบริษัทสมณะบริษัทจาตุมหาราชิกาบริษัทดาวดึงสบริษัทมาราบริษัทและพรมมะบริษัทดูก่อนสารีบุตรบริษัททั้ง8เหล่านี้ตถาคตผู้ประกอบด้วยเวสาลาชธรรม4ี่ประการ เคยเข้าไปหาเคยเข้าไปอยู่ในถ้ำกลางบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดแม้ว่าเราจะเข้าไปอยู่ในหมู่ขตยะบริษัทเป็นร้อยๆเราเคยนั่งใกล้เคยทักทายปลาศัยเคยสนทนากันแต่เราก็ไม่เห็นนิมิตอะไรเลยซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเรามีความกลัวมีความสะทกสะท้าน และแม้ในบริษัทอื่นๆก็เช่นเดียวกันเพราะเหตุนี้แลสารีบุตรเราจึงได้มีความเกษมถึงความไม่มีภัยถึงความเป็นผู้แ ก, กล้ากล้าอันหนึ่งขอให้นึกถึงเรื่องทศพลยานประกอบด้วยโดยเฉพาะในข้อที่ว่าพระองค์ทรงมีฐานาฐานานยานทรงรู้ว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้ สัพพะคามีนีปฏิปทายานทรงรู้ทางหรือข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่พบสู่ภูมิทั้งพวงและวิปากญาณทรงรู้วิบากของกรรมทุกอย่างและอื่นๆเมื่อได้นึกถึงข้อความดังที่กล่าวมานี้ก็จะทำให้เข้าใจชัดในข้อที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอธิเทวรยานทัศนะ ซึ่งมีปริวัติแปดของเราถ้ายังไม่บริสุทธิ์ดีเพียงใดเราก็ไม่ปฏิญญาว่าเราได้บรรลุอนุตตะสัมมาสัมพโพธิญาณในโลกนี้ในเทวโลกในมาราโลกในพรหมโลกในหมู่ประชาซึ่งมีทั้งสมนาพรามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและอื่นๆ าอาธิเทวญาณทัศนะนานแปลว่าการรู้การเห็นเทวดาทั้งหลายอันสูงสุดหรือจะแปลตามตัวว่าญาณทัศนะที่เป็นไปทับซึ่งเทวดาทั้งหลายหมายความว่าญาณทัศนะอันนี้สูงกว่าเทวดาทั้งหมดคือแม้แต่เทวดาชั้นสูงสุดคืออกนิธะพรม ก็ยังมียาทัศสนะในเรื่องเทวดาทั้งหลายน้อยกว่าพระพุทธองค์หรืออีกนัยยะหนึ่งแปลว่ายาทัศสนะอันนี้สามารถที่จะรู้และเห็นแม้กระทั่งเทวดาชั้นสูงสุดและขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่าคำว่ายาทัศสนะในที่นี้หมายถึงทิพยจักษุหรือจุตูปปาตยาน และโดยธรรมดาผู้ที่มีที่พยะจักษุตาทิพนั้นไม่ใช่มีความสามารถเพียงแต่มองเห็นพวกเทวดาทั้งหลายเท่านั้นแต่สามารถที่จะรู้เรื่องของพวกเทวดาหรือพวกโอปปปฏิกะทั้งหมดด้วยว่าสัตว์เหล่านี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้หรือจะไปเกิดในอบายภูมิประเภทไหนนั้น เป็นเพราะได้ทำกรรมมาอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรมีอายุเท่าไรมีอาหารอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นและนายอมหมายถึงสามารถที่จะมองเห็นสภาพสิ่งแวดล้อมเช่นมองเห็นวิมานสถานที่และสิ่งแวดล้อมอื่นๆได้ทั้งหมดแม้ในเรื่องอวัยภูมิก็จะมองเห็นเช่นเดียวกันอันหนึง่งขอให้สังเกตว่า ยานที่เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้พระเจ้ า, จาทรงทราบอะไรได้ทุกอย่างนั้นนอกจากทิพยจักษุหรือจุตูปปาตยญาณแล้วก็ยังมีปุเพนิวาสานุสติญาณเจโตปริยญาณและยานอื่นๆอีกหลายอย่างพระองค์ทรงเป็นสัพพันญยูก็เพราะพระองค์ทรงมีอภิญญาทั้งหกดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากเราเข้าใจชัดเกี่ยวกับเรื่องอภิญยาทั้งหกและเชื่อด้วยว่าอภิญยาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้พระพุทธองค์ทรงมีอภิญยาเหล่านี้จริงเราก็จะเข้าใจและเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันยูจริงๆคำว่าพบหมายถึงนา ม, มารูปหรือชีวิตแต่และประเภทฉะนั้นคาที่ว่า ถ้าผู้ เ, เจ้าเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งพบทั้งปวงนั้นในความหมายอันหนึ่งก็คือทรงรู้แจ้งหรือรู้จักเทวดาทุกประเภทตั้งแต่ชั้นต่ำจนถึงชั้นสูงสุดดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่าลืมว่าเทวดาดังที่กล่าวมานั้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นพวกโอปปปฏิกาคือเป็นพวกกายทิพย์เป็นพวกอธิสมานากาย เป็นพวกที่ไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาธรรมดาคือตามนุษย์จะเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีตาทิฟหรือมีจุดตูปปาตาญาณเท่านั้นขอให้สังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นพวกเทวดาเหล่านี้ได้ก็พระพระองค์เข้าสมาธิไปแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจซึ่งแสงสว่างที่ปรากฏในใจนี้สว่างมาก เหมือนกับแสงสว่างในเวลากลางวันทีเดียวจึงจะสามารถเห็นเทวดาทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอย่างไหนที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้ยาทัทสนาภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมกาหนดแสงสว่างไว้ในใจ อาโลกสัญญามณสิกรโรติไลทิฐานให้สว่างเหมือนกลางวันที่วาสัญญ์อาทิตถาติเธอพยายามทำอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันทำได้อย่างไรกลางคืนก็ทำได้อย่างนั้นหรือกลางคืนทำได้อย่างไรกลางวันก็ทำได้อย่างนั้นเธอมีใจสงบ ไม่มีนิวรณ์หุ้มหอ่อทำใจอันประกอบด้วยแสงสว่างให้เกิดขึ้นสัปพภาสังจิตตังพาเวติภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาอย่างนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้ยานทัศนาจากอังคุตรนิกายจตุ ก, การนิบาทจากหลักที่อ้างมานี้จะเห็นว่า ใครก็ตามในเมื่อสามารถเข้าสมาธิไปแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจและสว่างมากเหมือนกับแสงสว่างในเวลากลางวันพร้อมทั้งมีความชำนาญคือทำได้เช่นนี้เสมอไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนคือเมื่อเข้าสมาธิไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเวลาไหน ทั้งที่หลับตาแล้วมืดไม่เห็นอะไรเลยแต่ในใจไม่ได้มืดเพราะมีแสงสว่างเกิดขึ้นและสว่างมากด้วยเพราะมีแสงสว่างซึ่งเกิดจากใจที่เป็นสมาธิอย่างสูงคือได้จดตุทชาญด้วยแสงอันนี้จึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่ตาธรรมดามองไม่เห็นเช่นสิ่งที่เล็กที่สุด หรืออยู่ไกลที่สุดหรือสิ่งซ่อนเร้นอยู่ในที่มืดหรืออยู่ในดินหรือสิ่งที่ละเอียดที่สุดเช่นอย่างพวกโอปะปะติกาหรือสิ่งต่างๆในโลกของโอปะปะติกาก็สามารถมองเห็นได้ทั้งสิน้นแต่ขอบเขตของการเห็นนี้อาจจะไม่เหมือนกันทัางนี้ขึ้นอยู่กับกําลังของสมาธิว่ามีมากน้อยแค่ไหน ดังเช่นที่พระองค์ได้ตรัสกับพระนุรุธะว่าอนุรุธะสมัยใดสมาธิของเราน้อยสมัยนั้นจกักษุของเราก็น้อยเมื่อจกักษุน้อยเราก็กําหนดเห็นแสงสว่างได้น้อยและเห็นรูปได้น้อยแต่ถ้าสมัยใดสมาธิของเรามากสมัยนั้นจกักษุของเราก็มาก เมื่อมีจักษุมากเราก็กําหนดเห็นแสงสว่างได้มากและเห็นรูปได้มากเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดคืนบ้างตลอดวันบ้างตลอดทั้งคืนทั้งวันบ้างการรู้จแจ้งเกี่ยวกับเรื่องเทวดามีความสําคัญอย่างไรก็ขอให้นึกถึงคําที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอ ธ, ธิเทวรยาณทัศนะ ซึ่งมีปริวัตแปดของเราถ้ายังไม่บริสุทธิ์ดีเพียงใดเราก็ไม่ปฏิญาว่าเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้ในเทวโลกในมารโลกในพรหมโลกในหมู่ประชาซึ่งมีทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่อธิเทวญาณทัศนะ ซึ่งมีปริวัติแปดของเราบริสุทธิ์ดีแล้วฉะนั้นเราจึงได้ไปติญญาว่าเราได้บรรลุแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้ในเทวโลกในมาราโลกในพรหมโลกในหมู่ประชาซึ่งมีทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากหลักฐานที่ยกมาให้เห็นนี้ ถ้าจะมีใครปฏิเสธหรือไม่ยอมรับว่าเรื่องเทวดาไม่สำคัญจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เกี่ยวกับการหลุดพ้นไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องสำคัญในพุทธศาสนาหรือจะมีข้ออ้างอย่างอื่นนอกจากนี้อย่างไรก็ตามก็ขอได้โปรดคิดให้รอบคอบเว้นไวแต่ท่านจะไม่ยอมรับว่า เรื่องที่อ้างมานี้เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ถ้าอย่างนี้ก็เลิกพูดกันเพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะถกเถียงกับบุคคลผู้ซึ่งมีนิสัยเข้าในลักษณะที่ว่าสิ่งใดชอบใจฉันฉันเห็นด้วยสิ่งใดไม่ชอบใจฉันฉันไม่เห็นด้วยหรือสิ่งใดลมรอยกับเรื่องที่เคยรู้เคยเชื่อก็ยอมรับ ถ้าไม่ลงรอยหรือขัดกับเรื่องที่เคยรู้เคยเชื่อก็หาทางปฏิเสธอันหนึ่งขอให้สังเกตด้วยว่าคําว่ารู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องเทวดานั้นมีความหมายอย่างไรบ้างก็ขอให้พิจารณาจากข้อความที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์เคยเจรจาไต่าถามกับเทวดาทั้งหลายรู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้ มาจากเทพนิกายนั้นเทพนิกายนี้รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้จุติจากที่นั้นที่นี้แล้วไปเกิดในที่นั้นที่นี้ด้วยวิบา ก, กรรมอย่างนั้นอย่างนี้รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มีอาหารอย่างนั้นอย่างนี้สวยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้นนรู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้ มีอายุยืนนานเท่านั้นเท่านี้และรู้ว่าเราเคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้ในครั้งก่อนด้วยหรือไม่ถ้าพิจารณาดูตามสํานวนที่กล่าวมานี้โดยละเอียดแล้วจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องเทวดาละเอียดทีท้วนและทรงรอบรู้เรื่องเทวดาทุกชั้นทุกประเภทและยิ่งกว่านี้ พระองค์ยังทรงสามารถที่จะอ่านหรือเรื่องรู้ความคิดของเทวดาทั้งหลายได้ทุกอย่างคือแปลว่าเทวดาไม่ว่าองค์ไหนมีความคิดเห็นอย่างไรมีความรู้ความเชื่ออย่างไรถ้าพระองค์ปรารถนาจะทรงทราบแล้วก็จะทรงทราบได้ทันทีโดยไม่ติดขัดหรือชักช้าแต่ประการใด ดังเช่นเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้